สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บนนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่ยี่สิบสองนะครับยังคงอยู่ในหัวข้อย่อยก็คือพระเยซูรับบัพติศมาตอนที่สองครับตอนที่สองนี้เรากําลังดูเรื่องของการสําแดงจากพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาผมขออนุญาตทบทวนนะครับว่าเหตุผลเกี่ยวกับการที่ว่าพระเยซูทําไมจะต้องรับบัพติศมาด้วย ทั้งที่พระเยซูนั้นไม่ได้เป็นคนบาปไม่ได้เป็นเหมือนกับเรานะครับเราต้องรับอัศมาเพราะเราต้องกลับใจใหม่นะครับเราต้องสํานึกว่าเราผิดบาปเราต้องเปิดใจของเรานะครับในการที่จะขอการอภัยโทษจากพระเจ้าพี่น้องครับการารับอัศมาของยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการกลับใจของมนุษย์ของผู้ที่เชื่อนะครับและการอภัยโทษจากพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้น เมื่อพระเยซูทรงเก้าออกมาจากกลุ่มผู้ฟังเพื่อขอรับอัลกามาจากยอหนนะครับด้วยเหตุผลสามประการประการแรกครับก็คือขอแยกทบทวนนะครับประการแรกก็คือเป็นน้มันไทยของพระเจ้านะครับที่พระเยซูจะทําเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าพระเยซูนั้นประสงค์ที่จะทําตามที่พระเจ้าต้องการนะครับให้เป็นแบบอย่างกับพวกเราเพราะฉะนั้นนี่คือพระมหาบัญชานะครับก็คือให้คริสเตียนนั้นที่จะเมื่อเชื่อแล้วรับบัลกามาเมื่อกลับใจแล้วรับอัลกามา ประการที่2ครับก็คือพระเยซูต้องการที่จะแสดงว่าพระองค์เห็นด้วยกับงานของยอห์นพระองค์ทรงแบ็กอัพงานของยอห์นอยู่นะครับงานยอห์นเดอะบัพติสตนั่สิ่งที่ท่านได้เรียกร้อยคนกับใจพระเยซูก็เห็นด้วยเพราะว่างานของพระองค์จริงๆแล้วเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ก็คืองานที่ทําให้คนต้องกับใจนะครับหันกลับมาหาพระเจ้าหันกลับมามีความเชื่อความศรัทธาหันมาหาพระเยซูเพื่อที่จะได้ไปถึงพระเจ้าประการที่3ครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์ เล็งถึงการวายพชนการฝังและการเป็นก็มีความตายนะครับในวันนี้ครับเราจะมาดูสิ่งที่สําคัญมากครับสองอย่างด้วยกันประการแรกครับการสําแดงจากพระเจ้าเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นได้สําแดงชัดเจนนะครับว่าพระเยซูเป็นใครถ้าเราอ่านในพระธรรมมัทธิวมารโกลูกานะครับทั้งสามตอนนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องเดียวกันก็คือพูดถึงความเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้าครับ ตามบันทึกของลูการครับคนทุกคนที่ได้รับอัปสมาวันเดียวกับพระเยซูก็ล้วนแต่รู้เห็นเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ว่าอะไรครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อพระเยซูทรงรับอัปสมาแล้วขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แวกออกและพู้วิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์สันตานเหมือนนกพิราบนั้นได้ลงมาบนโพรงมัตทิวนะครับและมารโกก็บันทึกด้วยว่าพอเสร็จขึ้นจากน้ํา ในชันใดนั้นท้องฟ้าก็แหวกออกรับวิญญาณของพระเจ้าดุดนกพิราบลงมาสู่โพรงนะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับว่านี่คือนี่คืองานของพระเยซูใหม่สุดคือบทบาทของพระเยซูใหม่สุดนะครับในการคอนเฟิร์มครับในการสมเดงนะครับจากพระเจ้าว่าพระเยซูปเป็นใครนี่เป็นนี่เป็นทรายนะครับนี่เป็นสัญญาณชัดเจนพี่น้องครับนกพิราบนั้นมีความหมายว่ายังไงครับนกพิราบเป็นสนัญลักษณ์ของอะไรครับพี่น้อง คำตอบก็คือนกพิราบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความอ่อนโยนความงดงามครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนในสมัยต่อมาจึงใช้นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จมาที่องค์พระเยซูคริสต์ ด, ดุจจะนกพิราบนั่นเองเหตุการณ์สําคัญในวันนั้นนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือไม่เพียงแต่มีพระวิญญาณลงมา นะครับมัทธิวมารโกลูกานั้นก็ล้วนบันทึกตรงกันครับว่ามีพระสุรเสียงจัดจากฟ้าสอนว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพี่น้องครับคนที่ตจอสนี้คือพระเจ้าพระบิดาครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระบิดานั้นทรงจอดต่อนหน้าคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ว่านี่แหละคือบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับคําว่าบุตรนั้นอย่าไปคิดแบบที่มนุษย์ธรรมดาคิดว่าเมื่อเป็นลูก นะครับก็จะต้องมีพ่อมีแม่นะครับใครเป็นแม่พระเยซูล่ะแล้วพ่อกับแม่ต้องแต่งงานกันไหมพ่อกับแม่ต้องอมีความสัมพันธ์ทางเพศกันไหมนะครับถึงจะมาเป็นลูกพี่น้องครับอยากคิดอย่างนั้นเพราะนั่นคือการคิดแบบมนุษย์ตามกรรมพันธุ์นะครับตามแบบมนุษย์ที่เป็นเพศหญิงเพศชายแต่คำว่าบุตรในที่นี้นั้นมีความหมายถึงอะไรครับคาว่าบุตรในที่นี้นั้นมีความหมายว่าแปล ว, ว่ามาจากก็ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราแปลว่ามาจากคําว่าบุตรของพระเจ้าหรือบุตรของพระบิดานั้นหรือพระบุตรของพระบิดานั้นนะครับก็คือเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งพระองค์มาครับนะครับคําว่าพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับเวลาเราใช้คําว่าพระบุตรนะครับเราต้องใช้เติมคําว่าพระนะครับอยู่หน้าบุตรครับเราทั้งหลายนะครับเราทุกคนนั้นเป็นผู้เชื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าหรือเป็นลูกลูกของพระเจ้าเป็นพระหูพจน์นะครับเป็น sons of God แต่ว่าเมื่อเรียกพระเยซูนั้นเราต้องเรียก the Son of God ตัว S นะครับต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยนั่นหมายความว่าภาษาไทยใช้ถูกแล้วครับเติมคําว่าพระซึ่งเป็นราชาศัพท์นะครับอยู่หน้าคําว่าบุตรนั่นหมายถึงมีอยู่องค์เดียวครับก็คือองค์พระเยชูิสตซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่บันทึกถึงพระเจ้าตรีเอกนุภาพปรากฏพร้อมกันนครับนี่เป็นครั้งแรกที่บันทึกถึงพระเจ้าตรีเอกนุภาพของเรา ที่ปรากฏพร้อมกันเยซูองค์พระบุตรได้รับมอบหมายเพื่อเริ่มทรพันธกิจโดยสัญลักษณ์ก็คือการบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธ์ก็เสด็จมาเพื่อเจิมตั้งและให้ฤทธิ์อำนาจแกพ่พระเยซูนะครับและพระเจ้าพระบิดานั้นตรัสรับรองพี่น้องเห็นไหมครับว่าที่นี่ได้กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ชัดเจนมากครับพระสวเสียงนะครับ ของพระเจ้าที่ตรัดเกี่ยวกับพระบุตรนั้นมีกล่าวถึงสามครั้งในพระราชกิจของพระเยซูนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือตรงนี้นะครับเป็นครั้งแรกและครั้งที่สองนะครับก็คือเมื่อพระองค์รับบัพติสมาทรงจําแลงพระกายนะครับและครั้งที่สามก็คือพระเยซูถูกตึงมาแมงเขน hesion. เพราะฉะนั้นสามครั้งนะครับจะพบว่ามีการบันทึกถึงพระสวดเสียงของพระเจ้าครั้งแรกนะครับพบถวนครับ ก็คือเมื่อพระเยซูรับอัลมานะครับครั้งที่สองก็คือพระเยซูจําแหลงพักกายนะครับและครั้งที่สามก็คือพระเยซูถูกตึงแมงเขนเพียงครับมาถึง น, นจุดนี้นะครับเราเรียนรู้จากตอนที่2ของการรับอัลมานะครับเราจะเห็น <c oughs> ตรีเอากนุภาพชัดเจนคำว่าตรีเอากนาุภาพนั้นเป็นหลักข้อเชื่อที่สําคัญมากของคริส เ, เตียนนะครับมีาศาสนาสองสาศาสนาใหญ่ๆที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้า นะครับเปียซูนั้นเป็นพระเจ้าตรีกันุภาพเป็นพระภาคหนึ่งของตรีกานุภาพนั่นคือศาสนายิวกับศาสนาอิสลามเขาไม่ยอมรับว่าว่าพระเยซูส่งเป็นพระเจ้าและในอีกหลายๆลัทธิเทียมเทศมากมายนะครับที่คําสอนผิดนะครับเทียมเทศทั้งหลายยกอย่างเช่นพยานพระเยวาครับเขาก็ไม่ยอมรับว่าพระเยซูนั้นส่งเป็นพระเจ้าเทียบเท่ากับพระบิดา นะครับหลายหลาคำสอนที่เทียมเท็จหรือผิดนั้นก็บอกว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าองค์น้อยนะครับหรือมาจากพระเจ้าแต่ people, ไม time, ่ใช่พระเจ้าไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีฤิธานุภาพไม่มีความเป็นพระเจ้าเทียบเคียงกับพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบิดาหรือพระเจ้าเที่ยงแค่มีองค์เดียวพยันพระเยซูไม่ใช่พระเจ้านี่คือคำสอนเทียมเท็จครับพี่น้องเวลาที่เราไปพบกับสิง <year> ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังและเราต้องรู้ตัวนะครับว่าเราไปคบหาสมาคมกับเขาไม่ได้นะครับ เราไม่สามารถรที่จะพูดคุยกับเขาได้เราไม่ได้อยู่ในทิศจากเดียวกันกับเขาได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจำเป็นต้องที่จะไม่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงหลักข้อเชื่อสิ่งต่างเหล่านั้นนะครับเราอาจจะคบกันเป็นเพื่อนได้แต่เราไม่อาจที่จะพูดและเราไม่อาจที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อได้ครับพี่น้องครับต้องระวังให้ดีพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ เตือนสติพี่น้องและหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูได้ทรงรับปัสมานะครับภาพนี้เป็นภาพที่อ่อนโยนมากเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเราเห็นภาพของพระเจ้าพระบิดาภาพของพระเจ้าพระบุตรพระเยซูและภาพของพระเจ้าพระเมียบริสุทธิ์อยู่ด้วยกันนะครับเป็นครั้งแรกทีเดียวในพระกัมพีตอนนี้ขาพเจ้าอวยพรพี่น้อง ท, ทุกๆท่านครับสวัสดีครับ